Thank you.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 ถ้าฉันยังมีความสุขดีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติธรรมแต่คําถามที่อยากจะถามก็คือว่าเราแน่ใจได้อย่างไรว่าสมมุตินะ่าถ้าวันนี้เรามีความสุขอะพรุ่งนี้เราจะยังมีความสุขอยู่คําว่าวันนี้เรามีความสุขนี่ก็พูดแบบสมมุตินะเพราะว่าถ้าถามจริงๆหลายคนก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่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 วันนี้ฉันสุขแล้วก็เราเคียบพุ่งนี้ฉันก็ยังมีความสุขวันนี้ฉันมีสุขภาพดีพรุ่งนี้ฉันก็ยังมีสุขภาพดีต่อไปแล้ววันดีคืนนีพ่อพตัวเองเป็นมะเร็งทำใจไม่ได้เลยนะทำไมต้องเป็นชั้นนะอดครวญโวยวายอยู่ข้างในทำไมต้องเป็นชั้นนะก็ไม่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 กดข่มกดขี่เย็ดยามกดดันสารพัดแล้วคงเคยได้ยินขาวนะตำรวจที่ยิงตัวตายเพราะว่าทนแรงกดดันภายในหน่วยงานไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ตายกันเยอะด้วยตำรวจที่ฆ่าตัวตายเนี่ยคนเหล่านี้ทำตมช่วยนะมาตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ย <S <S เขาไม่คิดหรอกว่าเขาจะลงเอยแบบนั้น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 สุกในวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้นะจะสุกวันหน้าจะสุกคนฉลาดเนี่ยเารู้เช่นนี้เนี่ยนะเขาจะไม่ประมาทนะถึงแม้วันนี้สุกแต่ผู้นี้อาจจะทุกข์แล้วจะทำยังไงล่ะของมันนี้มันควบคุมไม่ได้ซะด้วยนะก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมใจนะการที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการเตรียมใจ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 นะยังสามารถจะเป็นผู้เป็นคนได้สามารถจะใช้สติปัญญานะแก้ไขเหตุการณนะ์ไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์มันท่วมทับจกนกระทังคิดอะไรไม่ออกไอตอนที่ไม่เกิดเหตุนี่แนะนำคนได้เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ว่าพอเจอเองนี่เสียท่ากันนะเกือบจะร้อยทั้งร้อยเพราะว่าขาดสติงั้นการฝึกสติสำคัญนะที่เรามาปฏิบัติทำเพื่อที่เราจะได้นะ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 ก็มีคนหนึ่งมาพูดแล้วก็ถึงหูหลวงปูด่ดูลอตุโลว่าเนี่ยปู่ญาติตายายเขาก็ทำบุญพ่อแม่เขาก็ทำบุญมาตลอดตัวเขาเองก็กระินผ้าปา่านะไม่เคยขาดแต่ทำไมต้องมาเจอแบบนี้ทำไมบุญไม่รักษาธรรมทำไมธรรมะไม่คุ้มครองต่อไปนี้ฉันไม่ทาบุญแล้วฉันไม่เข้าวัดละ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 ถ้าเห็นจริงๆนะรวมทั้งเห็นแม้กระทั่งว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเรานะถ้าเห็นถึงขั้นนี้เนี่ยนะมันไม่มีคาว่าสูญเสียไม่มีคำว่าพัดพักพัดพรากที่จริงสิ่งที่เรามีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นกาไรนะเป็นกำไรชีวิตถ้ามันจะหายไปบ้างมันจะเหลือไม่กี่อย่างสุดท้ายเหลือแต่